กระผมต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนกระผมนั้นคิดว่าเราต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉไหนหนอเราพึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงกระผมนั้นขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสง สงได้ให้ปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่กระผมแล้วเมื่อกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาทคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัตสังคาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นคิดว่าเราต้องอาบัตสังคาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะไหนหนอ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 ชไหนหนอเราพึงขอปริวาทสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอปริวาทสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละ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 ชไหนหนอเราพึงขอปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์พิกษุนั้นจึงขอปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวที่ปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาทคิดละอายใจว่า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 ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า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 เรานั้นจึงขอปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวที่ปิดไว้สองเดือนกับ 2. สงสง์ได้ให้ปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราแล้วเมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาทคิดและอายใจว่าชะไหนหนอเราพึงขอปริวาสํำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสง ภิกษุนั้นจึงขอปริวาทสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงให้ปริวาทสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาทสําหรับเดือนแม้นอก น, นี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นผึงนิ่ง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 สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาทสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อน